นาโมตัชฌะพระวโตอรหโตตมาจัมปุตกัจจะนาโมตัชฌะพระวดโตอรหโตตมาจัมปุตัจจะนาโมตัชฌะพะกวดโตอรหโตตมาจัมปุตกัจจะบุธังตรนังกัจามิธรรมังสรานังกัจจามิ สังขังสรรังกระฉามนี้ต่อไปนี้ก็ก็พาญายโยมจะเข้าไปตูดินเดนดินเดนที่เราไม่เคยไปไปแล้วปลอดภัยก็ต้องอาศัยน้ำเป็นตัวเป็นตัวนำทางเราไปน้ำลำทางไปน้ำที่เราต้องนำไปต้องทานประมาณจะครึ่งขวด นถ้าขึ้นขวดถ้าคนไหนที่ว่าร่างกายร้อนมากเอากินหมดขวดจะได้นน่านาทานจนแล้วก็หลวงพ่อก็จะพาไปแเนี่ยจะพาไปไปสถานที่ที่เราอาจจะไม่เคยได้ไปนะเกิดตั้งแต่เกิดมาก็จะไม่เคยไปเลยวันนี้หลวงพ่อจะไปสถานที่ที่เขาเรียกเป็นปเมืองรับเล่เป็นเมืองรับแล เรื่อยไปน้ำเย็นนะ า, า, าทานเสร็จแล้วก็เอาก็มาทยอยก็มาเรื่อยๆน้ำเย็นครบกันไหมถ้าใครยังไม่มีน้ำเย็นก็ช่วยบอกกันนะนเอาาทานเรียบร้อยนะวหน้าทานหมดยังไหนเอายืนให้หมดเลย ถ้าหมดมันจมันจะไหลได้เร็วฮะทานน้ำโยมะถ้าทานมากนะอาตมาก็จะพาโยมไปง่ายถ้าจะทานโนยน้อยๆอาตมาก็ป่าไปไม่ได้หรอกอเพราะมันดึงไปไม่ได้เพราะว่าน้ามันไม่พอน้ามันไม่พอถ้า ง, งั้นให้เยอะอะมันจะได้ไหลจ้วดกันไปเลยฮ ะ, ะจะไหลจ้วดจะไปเลยอ่ะเราไปอมเล่นเหมือนเด็กน้อยอมนมไม่ได้ดังนะ้รูดกินไปเลยฮะออันนี้รูดกินไป อ่ารู้สึกกินไปปุ๊บได้ขึ้นขวดแล้วก็หลับตาได้ขึ้นขวดแล้วหลับตาหลับตาตอนนี้เราจะไม่ใช้ตานอกแล้วเราจะใช้ตาใ น, นใช้ตาในแทนหลับตาก็ตาในก็คืออะไรอ่ะให้ตาเรามองเห็นว่าความรู้สึกแบบความเย็นของเราเนี่มันลงไปถึงไหนในตาเราก็นำพาไปเลย เดินไปเรื่อยๆมันจะจูงอ่าน้ําเย็นมันจะจูงสติเราลงไปฮะสติเราลงไปตามเรื่อยๆตอนนี้เราต้องเปลี่ยนฐานทุกอย่างฐานที่เคเยเราภาวนาโ น, น้นต้องเปลี่ยนเอาฐานใหม่เลยฮะอเอาน้นนานานําเย็นเป็นฐานความรู้สึกว่ายนเป็นฐานไปตอนนี้เราจะจูดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าอยากให้สติเรานะ่ะไปอยู่ตรงปลายน้ําเย็ น, นความเย็นลงไปถึงไหนอ่ะ โยมเอาสติโยมตามไปน่าเลืกตามไปเรื่อยๆตาที่เราหลับข้างนอกเนี่ยให้พยายามไปมองข้างในมองข้างในก็ประคับประคองการเดินทางของเราไปเรื่อยๆดูค ว, วามเย็นบางคนก็ลงไว้ลงไปเตถึงกระเพาะแล้วบางคนก็ยังไม่ถึงไม่ถึงก็ต้องเติมอีกหน้าเติมไปเติมไปถ้ถึงนะแต่ถึงลําไส้แล้วเลยลาไส้แล้วก็สบายแล้วแ้วเลยลําไส้ไปตอนนี้เราก็ พยายามจะไปไปสถานก็เรืองเมืองรับแรเมืองรับแรเป็นเมืองที่ไม่มีอะไร่นะไม่มีอะไรเลยเราก็ไปดูความรู้สึกของเราอยู่ตรงปลายน้ํานำะกบคุ้มให้อยู่ตรงปลายน้ําไม่ต้องเพ่งน่ไม่ต้องเพ่ ง, นะ ง, พงให้ยืนกรารไว้ให้พระตัวเรายืนกรารตรงปลายน้ําเลยะนะเนะมื่อเราจะออกไปข้างนอกเราก็ยืนไวเพราะนั่นะไม่ไปฮนะ ตาทางบนบอกว่าเจ็บเมืนอออกก็นอกไปด้วยมันก็ต้องไปแต่ถ้าเรายืนกรารไว้อะยืนกรารไว้ปกติก็เรายืนกรารไว้ตรงนั้นเลยตรงความยืนสุดท้ายนะยืดเรืร่อยๆไปพยายามเล่นลึกไว้เนี่ยเล่นลึกไว้ของเราเรืร่อยๆไปธรรมะมันยืนในท้องเราไม่ได้ยืนสี่อื่นต้องาบางคนที่บอกจะอยู่นู่นนู้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเครื่องหมายนนเป็นเครื่องหมายที่ว่าเป้าหมายปลายทาง แต่ตอนนี้เราก็จะมาทํานําจิตเราไปสู่สมาธิเขาเรียกสมาธิอย่างเราตายแล้วไม่เกิดตอนนี้สมาธิตัวนี้ต้องใช้น้ําเย็นทำได้ใช้น้ําเย็นนมันมันลงไปยากตอนนี้เราก็ควรจะพัฒนาตองเราเนาะน้ําเย็นกับชัตเตอร์เราเป็นเนื้อเดียวกันให้ไปอยูด้วยกันเลยฮะอย่าไปกังวลอย่างอื่นถ้ากังวลอย่างอื่นมันจะไม่ลงไป แต่เราคิดเราจะไปก็ต้องไปตัดจัดตัดยอดชันนิดไปเลยฮะอยไปตรงบนนะถ้าเราไม่มีความบนแล้วการเข้าก็ง่ายขึ้นในการรู้ก็รู้ก็ชัดเจนขึ้นเราก็ดูความรู้สึกที่เย็นๆหน้ามันเป็นไงก็เนื้อไปเรไปนึกไปนึกไปนึกไปนะเล็กไปเรื่อยๆพยายามเล็กไป กน้ำเย็นก็บางคนเย็นน้อยบางคนก็เย็นมากการเย็นน้อยเนี่ยมันพิสูจน์ถึงว่าสมาธิที่เราฝึกฝนอบรมมานะสมาธินั้นไม่ได้เข้าข้างในแต่มานั่งสมาธิในปับับข้างในเกือบไม่รู้สึกเลยทั้งๆั้ความเย็ น, นยกินและน้ำหลอก็เย็นแล้วแต่ความรู้สึกมันก็จะออกไปัางนอกอัา น, นี่ก็เรียกสมาธินอกมันเข้าข้างในแต่ที่เราจ้อนสมาธิใน ถ้าจะมาที่ไหนจะรู j j ้แต่ทางในจะไม่ไปข้างนอกจะไม่รู้ข้างในทําไงเราก็ต้องบ่มเราก็ต้องเติมจิตของเราการเติมผู้รู้การเติมจิตของเรามีพลังือการเติมก็คือมันเชจะทำช่วยไฟอะไรกันเนี่ยนะเราพยายามเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆเราพยายามจะเปลี่นเช้อโรงทุกระดไม่มีหรอกพยายามดูเรื่อยๆตอนนี้ทำไมต้องปควบคุมดูที่จิดอย่างเดียว เพราะคิดรห้าันหายางยางอตอนนี้ให้เดมดูว่าความเ็นสุดท้ายอยู่ตรงไหนใหเดมนึกจุดนั้นเลยหลับตาให้เด น, นึกแล้วก็ต้องผลคลายนะนะถ้านึกมันถ้านึกไปแล้วเหมือนเป็นการบังคับอ่านั้นเย็นอาจจะหายได้แต่ถ้าเกิด้วยการในการบังคับเนี่ยน้ำเย็นก็จะชาเทียนยวิธีการฝึกสมาธิก็ทำให้รงงก้ว่างลงวิธีการก็ดูเรื่อยไป ดูเรื่อยไปเรื่อยไปดูไปเรื่อยไปเรื่อยไปังเกียดูเรื่อยๆพ้าเมือกี้พัดก็เติมน้ำอีกก็เรียกถามปาโลกตท้ายาใหม่ๆก็เรียกว่าเติมจิบ เติมจิตของเราให้ชัดเจนเติมจิตของเราให้เข้มแข็งเติมจิตของเรามีพลังแต่เรามีแล้วฐานน้ำเย็นก็เหมือนแก้วน้ำเราเรนึกเรื่อย ๆ, ๆไปความเย็นก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เรานึกแล้วมันยังไม่เพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรนึกก็ได้ไม่นึกก็ได้ต้องปล่อยไปก่อนเป็นวิธีการฝึกสมาธิง่ายๆกันโยมขึ้นนึกเรื่อย ถึกไปเรื่อยเรื่อยๆไปอย่าไปเปลือนะพยายามสังเกตน้ำเย็นของเราให้ชัดขึ้น <c oughs> ชัดขึ้นชัดขึ้นเราก็จะเข้าใจโอ้เรามีตาเรามีตาในแล้วตาในมองเห็นแค่ความรู้สึกว่าเย็นๆ <c oughs> นาความเย็นๆนี่ก็จะไปนูน่นไปนี่ก็ไปไม่ได้โยมแต่พอมันหยุดนาไปจิตเราหยุดต้องการจิตจิตเราหยุดถ้าเราหยุดได้เราก็สบายแล้ว กันพยายามนึกไปเรื่อยๆไปไม่ต้องไปวกแวกแล้วก็พยายามยืนไว้ดืนกระานไว้ให้ดีฮะเหมือนจิตเราจะออกไปข้างนอกเราก็ยืนอยู่เนี้มันจะดึงไปซ้ายก็ดึงนี้ขวาก็ดึงนี้หน้าก็ดึงนี้หลังก็ดึงนี้ดึงอยู่ตรงกลางนี่แหละไม่ต้องไปวกแวกอะไรที่ไหนหรอกเราก็ดูเรื่อยๆ ja ไปเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วพิธีการภาวนาเนี่มันเป็นวิธีการภาวนาง่ายที่สุดเพราะแม่น้ําเป็นตัวช่วยเราเนี่ย เป็นตัวช่วยเราอย่างดีฮะทําให้เรารู้สึกได้ตอนพุทโธฮะตอนนี้วิธีก็วิธีการของเราก็คือว่าเราต้องเติมเติมจิตของเราให้มีพลังมากที่สุดการเติมจิตให้มีพลังมากก็คือพยายามจะลึกไว้เลลึกไว้แล้วลึกไว้ลึกไว้ลึกไว้แล้วแล้วการลึกไปประมาณตั้งไม่เกินสามนาทีหรือห้านาทีเราไม่รู้ว่ากําลังโยมมามีมาจากไหนอกําลังโยมก็มาจากนั่นแหละฮะมาจากตรงความเย็นนี่แหละ มันมีกําลังกําลังจิตกําลังธรรมาที่นะพยายามนึกเรื่อยๆ ok ไปอย่าไปวกแวกไปที่อื <S <s ่นนะทำนึกไปเรื่อยๆเรื uh, ่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปมันหยุดเราก็หยุดด้วยถ้าเขาไปเราก็ไปด้วยถ้าเขาหยุดเราก็หยุดหยุดตรงนั้นนะอย่าพอย่าจะพึ่งไปที่อื่นพยายามนเพราะนําเย็นมันมันมีฐานมันมีฐานให้เรากุคุมได้อ่า ทำมีการเราควบคุมได้แล้วก็จะควบคุมได้ง่ายขึ้นทำไม่ไหวเรื่อยๆไปนะ ก็ชัดเจนแล้วก็เอาน้ำตรงไหนก็ได้เด็กไปเรื่อยๆเด็กไปเรื่อยๆนนี้เราเราก็จะได้เข้าสมาธิด้วยบายน้ำเยินสมาธิตรงนี้เป็นสมาธิที่ไม่มีอะไรไม่มีร่างกายนะ ปรุงแต่งไม่ได้ตับไก้ไตปรุงอาหารน้อยอาหไม่เกี่ยวตาหูจมูกร่างกายก็ไม่เกี่ยวกายก็อยู่ส่วนกายจมูกก็อยู่จมูกนี่นแหละอ่ากายก็อยู่ส่วนกายเราเราก็นึกกายเราดีกว่ากายมากายวรามีกายนอกกับกายในแต่ตอนนี้เรากำลังสร้างกายในขึ้นมากายในให้ชัดเจนเพราะกายนอกเดี๋ยวเราก็ทิ้งอยู่แล้วกายในนั้นคือสมาธิของเรา่ะต้องในกายในของเราจะ เราต้องสร้างไม่สร้างเรจะเกิดตรงไหนก็ไม่บอกหรอกวิีการของเาง่งงงายเราก็าดูตรงนี้ก็สบายแล้วอานก่อนไปเรื่อยๆบ่มไปเติมไปเติมไปเติมเตีไปเอาเตียเราเติมไปเรื่อยๆตติมไปก็คือนึกไปนึกไปนึกไปนึกไปนึกไปนึกไป ก็เลยไปเรื่อยๆผ่อนคลายผ่อนคลายเบาๆแล้วก็ปล่อยลงไปลงไปลงไปมันถึงจะเดือยอยู่เนนถื่อนแล้วนะถ้เกิดมันหยุดแล้วมันก็หยุดมันจะปรุงแต่งไม่ได้อนเวลาที่หยุดก็ต้องหยุดไปเนื้ไปสเรื่อยๆนึไปๆๆนึกไปนึกไปนะเราบอกแบบปฏิเสธให้เกิดมันหยุดดู ตรงนั้นได้ดีนะย่าให้ใหจิตว อ, อกแวกไปเรามไม่หยุดอยู่ตรงความจ น, น็น่ะเพราะน้ําเย็นมันจับจับเราไว้ไม่คิดเราออกไปข้างนอกนะพอ ต, ตอนนี้ไม่ไม่จ่อในพิจารณากายเพราะกายไม่จำเป็นต้องคิดแล้วนะเรามาดูจิตเราดีกว่าพอ ต, ตอนนเราดูจิตของเราแล้วอจิตเราไม่มีกายโยมครับพนะุพนะุพนพอกายเราเนี่ยอ่ะ จนเวลาก็เขาเอาไปหมดแล้วดังนั้นอนะ่ะเราก็เลยสร้างกายในบ้านใหม่ก็เราอยู่กายในคือกายอยู่กระพูรู้ตัวนี้โน้ยก็เลือกกายในกายนี้จะมีธรรมะมันก็เยือกเย็นอ่นะกายตรงนี้จะปลอดภัยมากเพราะคนจะเคยอยู่ใครอยู่บ้านนี้แล้วนะอ่นะตายแล้วไม่เกิดหยมเกิดไม่เกิดโนมก็ต้องดูตัวเองได้ให้ระลึลอกอยู่ตรงเอง ตัวเองว่าถ้าอยู่ตรงนั้นมันจะเกิดไหมกิเลสของเรามีไหมความโลภความหลงเรามีไหมนะถ้าเกิดกิเลสเราไม่มีความโลภเร า, มรามรไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีมันอยู่เฉยๆถ้าพวกนั้นไม่มีโยมโยมไปอยู่ตรงที่ไม่พวกนี้ไม่มีเพราะไอ้ความโลภโกลนหลงเนี่ยมันเป็นขันมันเป็นไฟใครมีกมับมันนะเราอยู่กับมันมันเป็นไฟ ไฟความรู้ความโกรธความหลงมันเป็นไฟทั้งนั้นน่ะทั้งนั้นเราเกิดมาแบบเพื่อเราจะมีกองไฟตัวเนี้ยไอ้ตัวกองไฟทําให้เราไม่เป็นสุขเนี่ยเราก็หนีน่ะหนีไปไงต้องไปหาจิตจิตที่จิตที่ไม่มีกายถ้าจิตเราจะไม่มีกายปุ๊บมันอยู่ตัวผูรู้ตรงนั้นน่ะจิตตรงนี้จะไม่ทุกข์เพราะความทุกข์จะไปทุกตอนนั้นไม่ได้เพราะมันทุกข์ไม่ได้เพระอะรเพราจิตจิตมันหยุดแล้วถ้าจิตมันหยุดมันก็จะไม่ทุกข์นั่นน่ะเราก็อยู่ตรงนั้นน่ะเราไปวอกแวกที่อื่น แต่เราวอกไปไหนก็ไม่ได้เด AH AH <atically new life>. ี <equipment> ๋ยวก็ทุกข์หลวงปู่ดูลต้องบอกว่าอย่าทรงจิตออกนอกถ้าจิตถ้าทรงจิตออกนอกเป็นธมุไทยจิตเห็นจิตแกล้งเป็นมรรคเพราะนั้นเกิดจิตเหจิตแล้งเป็นโรคือความดับทุกแ้งเป็นคือความชัดเจนกับความเ็น้รตรงนั้นแล้เพราะนั้นเกิดจิตเห็นจิตแกล้งเป็นในโรธในโรธคือความดับทุกข์ในโรธคือไม่มีอะไรทุ่งแต่งได้เลย อ่ามันหยุดเลยจิตแล้วมันหยุดจุดเนี่ยจิตมันหยุดตรงนี้ก็เรื่องนิโรธคือความ บ, บทุกข์ตัวนี้ถ้าดูอยู่ตรงนี้ยลัทธนาตวเนี้ยเป็นธรรมะหลวงพูดูลอย่างอื่นหลวงพูดุลก็กไม่เคยสอนน้อกท่านจะสอนเรื่องจิตอย่างเดียวเราเคยเห็นจิตทายในเองมันก็จบทุกคนเห็นจิตเลยจบเขายังไม่เห็นจิตก็ไม่จบอจิตที่จบคือจิตปรุงแต่งมาได้ ไอ้จไหนปรุงแต่งใดจิตนั้นยังยังไม่จบไอจิตนั้นต้องเปลี่ยนแปลงจิตนั้นต้องเกิดดับถาทํามว่าจิตไหมก็คงไม่ใช่จิตแน่นอนไอ้ที่ที่เกิดดับเกิดดับนี่มันเป็นสังขารโยมมันเป็นสังขารมีวิญญาณคอยบัญชาการทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมาทําตัวบางคนก็เลยเรื่องวิญญาณมาเป็นผุดเจอจิตจิตจริงๆมันไม่มีวิญญาณหรอกจิตที่พระเจ้าเจอนั้นไม่มีวิญญาณ จิตะาวะของผู้เจ้าเจอนั้นไม่มีวิญญาณถ้ามีวิญญาณก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้น่าจะพ้นกายไม่ได้นั้นจิตจะมันเรีมันไปไปไปจิตตรงที่ไม่มีวิญญาณนั่นน่ะท่านก็เรียกเลยท่านก็ไม่มีทุกข์แล้วตัว ท, ทายโลกก็เรียกว่าเป็นผู้บรรลุธรรมน่าเขาตั้งชื่อเพาะมากตอนนี้ก็เรียกว่าพระอรหันต์ผู้ที่ไม่เกิดก็เรียกพระอรหันต์น่าบรรลุลธรรมแล้ว ถามแนะนำอันนี้คือคําพูดบารลูกถามโยตมาก็บอกใจคำใหม่เลยว่าจิตตรงไหนอ่ะที่ปรุงแต่งไม่ได้จิตนั้นแหละไม่เกิดเราไปแค่ไม่เกิดตายแล้วไม่เกิดก็พอแล้วตายแล้วเกิดไม่ต้องไปถ้าไปแล้วรับรองโยมยาวมากเลยว่ตาของเรากี่พบกี่ร้านล้านชาติตุยมานผมจะกลับมาที่ไม่เกิดได้เพราะนั้นแหเราก็ไปหาที่ไม่เกิดไปกว่าง่าย แต่ตรงนั้นไม่เกิดตุงเต็ไม่ได้เกิดคนไม่ได้เก็แบบคนไม่ได้ว่าคนก็ว่าไม่ได้ น, ดนะจะได้ไดไดอ็ได้ก็คือได้เจ้าจ้ของได้เจ้าของีเตรียมเจ้าของทำงานไม่ให้จิตของเราออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเราจะไดจิตตรงนี้เป็นจิตเดินแถวของเราคือความว่างโยมอันนี้จิตตรงนี้ก็เลือกสัญญตาแต่ถ้าประทามประตาเนี่ก็เลือกโลกุตรจิตโลกุตรจิตก็ไม่มีอะไรมันจะเป็นเรื่องแต่ความว่าง น่าไม่มีแต่ความบางว่างกายเลยนะว่างกายแล้วหมดเลยนะถ้าว่างกายเราหมดเนี่ยรับรองเราไม่ตกอับอายแน่นอนเพราะว่ากายที่เราไปทําที่ยวเนี่ยตอนนั้น ว, วางหมดแล้วพอว่าางหมดล้วก็กายนี่แหละเป็นเป็นตัว น, นำเราอย่างดีน่ยก็พยายามดูเรื่อยๆไปมาเรื่อยไปตรงนี้ยไปไปดูที่อื่นไม่ได้หรอกเพราะแต่กระจองอื่นก็มัน ก, มนก็มันก็ไม่ใช่โยมฮะมันไม่ใช่เสียเวลาโยมาก ท่านำส อ, น, น, อเนเรื่องไปดูจิตอาตมาจะสอนเรื่องกิเลสสอนได้อยู่อมันจะมันไม่มันไม่เกี่ยวข้องกันกนะเราจะดูว่าจิตตรงไหนไม่มีกิเลสเนี่ยหลวงปูง่ดูลย์ทงทั้งพูดไปจามทั้งบอกว่าอยู่กับตามานะองค์เดอาจจะไม่ได้พูดตรง <c oughs> อยู่กับตามามันบอกกิเลสมีเยอะริงดีกิเลสมีเยอะยิ่ยงดีแต่ยาใช้มันอ่าบอกว่าถ้าถ้าท่านเลี้ยงไปกัดกิเลสท่านจะเป็นธาตของกิเลสตลอดกาล ถ้าท่านไม่อยากเป็นธาตมันท่านจะนท่านจะใช้มันถ้าเราไม่ใช้มันเราก็ไม่เป็นธาตุของมันแต่ถ้าคิดว่าจะใช้มันไปไปแก้กไขมันเราก็เป็นทาตุของมันตลอดไปนะพอะตัวนี้มันตัวเกิด น, นะเพราะ้นเราไปดูตระหน จ, จิตตรงนี้เถอะนะมันจะไม่รอกไกไปที่อือ่นหรอกแต่อยู่ตรงนั้นแหละในบานเดมบ้านใหม่ก็อยู่นี่แนหะพยอยาเลืกไปเรื่อยเรื่อยไป การลึกไปเรื่ยๆการเติมๆๆๆเติมๆๆเติมเติมเติมเตมไปไรืยๆเติมไปเรยๆตมไปเรอๆ เ, เ, เป็นไงก็เป็นการดู้วลามีผู้รู้่ะจับได้แล้วการเติมก็คือการเรียนลึกรู้ดด เ, เ, รเรื่อยๆรื้ชัดด้วยบ่มจิตเรื่อยๆ จำเนื้ดูพอเราจับได้แล้วเราจับนกคขาโครงแล้วนกนั้นคือจิตเราโครงคือร่างกายเราถึงเราจะออกไปก็นกมันออกจะกครงไม่ได้อันนี้กระลุงมนโนนึกออกไอ้เกี่ยวจิตไม่เคยเข้าก็ออกจิตมันจะมีปกติของมันงานพยายามเลยนรูอยู่เนี้ย สลับจะนอนทางไหนหรือจะทำในทางไหนก็พยายามนึกไว้ตอนนึกไปนึกไปเร่อยๆตอนอายุเมอายุใคเอกกาพยายามเอาแน่นๆ เ, เลยนะเอาแน่นๆ เ, เลยนะครับแล้แน่นๆเลยนะครับพอเอาแน่นๆปุบนะ๊บนะบ๊วโยมสบายมาก นี่แหละเขาลงเบงรับแรสบายเรวบอกเพช ร, พรไม่เห็นอะไรตรงนั้นคนใะช จ, จิตดูว่ามันอ่นันทร์ยังยงสดสลดใจอะไรก็จิตใจเนี่ยพอจิตเราจะบรรลุตรงนั้ น, นตรงนี้ปุ๊บมันเกิดความสลดจงเลศสลดจงเลศร่งรรางกายที่เราเกิดมาพอจิตทุนแล้วก็มั น, มนเกิดความรู้สึกคนละส่วนกัน สุกกายกับสุกจิตมันต่างกันอ่าเราสุกตรงน้ำเย็นมันต่างกันเยะตอนนี้เราสุกกายกับตรงนั้นเย็นไหมน้าเย็นก็ไม่สุกกันอน้ำเย็นก็ไม่สุกกันหรอกาันจนมันจนมันจ น, น, นไม่ทุกข์น้ำเย็นก็จะเป็นเนมิติหนึ่งขึ้นมาเขาเลือกดวงตาดวงจิตบ้านใหม่บ้านใหม่หมทุกประพาไปพาไปแบบที่ไม่เกิดตรงนั้นพยายามไปเลือกไว้ ถ้าอยู่ตรงนี้ป๊อปอะไรก็แล้แต่ไม่ว่าโดนของโดนขอ ง, ของหายมัดไม่เหลือมันถอนหมดเลยฮะมันกระเด็นกระดองเพราะจิตเราเราจับจิตเราได้แล้วอ่วะแต่ก่อนมันโดนไปอ่ะมันดึงไปทั้งหมดเพราะอะไรเพราะจิตเราไม่ยังไม่เคยเจอจิตของเลยฮะภาวนาก็เจอแต่ขันห้าเพราะขันห้ามันกเกิดมันถาเกิดไม่ว่านารกอะไรก็อยู่ทึนในขันห้าทั้งหมดเลยอยู่ในขันห้า แต่ถ้เท่จิบเจ็บไม่มีขาหนั้นก็เรียกสติตาสติตาควันเขาเรียกว่าเจ็บเยอะเก็เรียกโรคกุตราชิตพรคกุตราชจิตจิตถ้าไม่มีอะไรเลยแม้จต่ร่างกายเรามีก็ไม่มีตับไตไตพุงเรามีก็ไม่มีเลือดเรามีเคยมีก็ไม่มีอแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้จะอยู่ตรงนั้นหายหมดนั่นจิตจริงมันจะเป็นอย่างนั้นจิตจริงมันก็ไม่เหลืออะไรเห็นเลยฉะนั้นเราเราก็ถอดออกจากนี้เลย ร่างกายของเราเราก็เริ่มเริ่มหาบ้านใหม่ขึ้นมาบ้านนี้ต้องทิ้งสักวันหนึ่งวันวันใดวันหนึ่งเรามีบ้านเก่าไปหาบ้านใหม่เดินเจอบ้านใหม่ปั๊บเราก็หัดมาเที่ยวบ้านใหม่บ้างบ้านเก่าบ้างมันอยู่มันอยู่ด้วยกันนี่แหละมันไม่ได้อยู่กันหรอกมันอยู่ด้วยกันนะ่มันไม่บกเบิกไปที่อื่นหรอกแล้วก็พยายามอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆไปเติมไปเรื่อยๆเติมสติโน้มน้าดัง เัอไม่ชัดชๆดชัชัดชัดชัดชอถ้ามันชัดเจอล้วก็สบายแล้วแต่ยังอื่นๆก็มันไม่ใช่จิตเนี่ยถึงจะพูดยังไงก็ไม่ใช่จิตแน่นอนโพสัยก็ไม่ทุกข์ั้นมีตัวไหนมันมีความทุกข์เลยเรื่องบุญกุศลทั้งหมดที่ว่าเราทำไปพอเจอเลยเจอเจอจิตแล้วนั่นก็เป็นเนื้อหน้ะบุญที่แท้จริงแล้วจิตของเราเนี่ยมันเป็นสมาธิสมาตรตติเป็นมาธิ สมาธิเราถอนกายเป็นสมาธิพอทุติเป็นสมาธิคุณจะนั่งจะเดินจะเคลื่อนอยังไงทุติเขาก็ยังอยู่กับสมาธิตลอดสมาธินี้เขาเรียกสมาธิไหนไม่ใช่สมาธ่นอกถ้าสมาี่นอกมันภาก็เกิดแต่สมาธิไนมันพามันหยุดการเกิดถ้าหยุดการเกิดตอนนั้นะเราก็ไปประยุี่การเกิดดีกว่านะประยุี่การเกิดมากกว่าในบางคนเรต่อตรงตังบารมีเยอะตรงตังบุญกุศลเยอะตรงตังโน่นตั้งนี้ทางโน่นตั้งนี้ถึงภาวนาไปนี่ผ่านได้ จะมาบอกบารมีมันเกิดมานานแล้วเกิดตั้งแต่เราเกิดแล้วบารมีถ้าคนไม่มีบุญบิณฑบาตนาจริงๆมันจะเกิดเป็นมนุษย์อย่างโยมไหมพวกเรามันเกิดมาดีหมดแล้วเราบารมีก็ถึงหมดแล้วถึงพระพุทธเจ้าท่านให้ธรรมะของเราแนละ้วแต่เดียกเขาบริษัทปูร้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบริษัทที่ตายแล้วไม่เกิดน่ะเพราะท่านคิดว่าบารมีเพวกว่าพ อ, พอแล้วมันมีเต็มแล้วไอ้เรื่องตั้งธราการเปลี่ยนช่างนู้นท่างนี่ก็เรียกกิริยา มันเป็นกิจกรรวัตถุคือเรามีเนไม่มีเงินก็ทําไปตัวจิตจริงๆอ่ะมันมีอยู่ตรงนี้อันนั้นมีเงินก็ทําไปมีเงินเยอะกเราก็จงกล้องไปเทนั้นเองไม่ใช่สร้างบารมีช้หน้ากุยจะเป็นรัอมีราชวังมีประศาสเงินประศาสทองประศาสนู่นตอนี้ตอนนี้เรามีแล้วราชวังตัวศาสเงินประศาสทองเราไม่หมดแล้ว น่ะมีหมดแล้วเพราะมันมีหมดเลยประสาทกับเมตตาทองที่มันอยู่ที่ไหนก็อยในร่างกายเรามีหมดแล้วอะถ้าเราไม่มีประสาทพุทธเจ้าจะไม่พุทธเจ้าไม่รับเขาา้าบริษัทออกน่ะก็เรามีสมบัติเต็มที่แล้วเพียงแต่วิธีไปหาที่ไม่เกิดน่ะมันไปตรงไหนนั่นเองไอ้ที่ไปที่ไม่เกิ ด, ม, ม, กด ม, ม, ก ม, มันอยู่ตรงไหนอะเกิดมาดีแล้วไอที่ไม่เกิดมันอยู่ตรงไหนอ่ะที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ตรงไหนเนี่ยก็โจรมากุบ า, าจารย์ท่านก็สอน สยายามจะสอนทุกถึงทุกอย่างสอนทุกอย่างแหละสอนเพื่อทําพวกเราจะได้รู้ธทำสอนไปสอนมาก็ไม่ก็จะอยู่น่ะเหมือนอย่างตมาจะก่อนตมาบวชใหม่ใหม่ตมาก็บอกหลวงปู่ดูลบอกภาวนาพุทโธพุทโธอาตมาก็ปฏิบัติพุทโธพุทโธแป๊บเดียวไปเห็นควายหน้าพุทโธพุทโธไปเห็นบ้านตมาพุทโธพุทโธก็ไปน่นไปนี่ไม่หยุด โอ้ยทาไมถึงปภาวนาหลับตาแล้วมันเห็นไปทั่วเลยไม่ใช่ตาทิพย์เลยนะมันมันมองเห็นได้ยังไงอ่ะทั้งๆไม่ได้เป็นรู้ธรรมนะออมันมองเห็นคนโน้นมองเห็นคนนี้มองโุ่นมองนี่นู่นไปทั่วเลยเราก็นึกว่าต้องไปนี่ขนาดหลับตาแล้วตอนนี้ทำไงสูดลมหายใจเข้าไปลึกบูดถูๆเปลือบแวบเดียวออกไปเรียบร้อยแล้วออไปก็ทพยายามดึงมาดึงมายิงยิงดึงยิ่งออกยิ่งดึงยิ่งออกว้ จะทำยังไงวะเอาสู้มันก็ไม่ชนาทีทีนั่งไปประมาณสักสิกว่านาทีมันก็บอกเฮ้ยภาวนาอย่างนี้ไม่สงบดกต้องภาวนาอย่างนี้มันก็บอกน่บอกเลยมันสอนมันสอนเลยบอกว่าให้ถูดลมหายใจลึกไปพุทโธก็ได้พุทโธวางพุทโธก็วางลงวางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรือยรยเรื่อยเรื่่อยย่อยเรืย่อย่อย่อย่อย่อย่อย่อยอย่อนลงยอย่อ ย้อนลงจนถึงนูน่นนะไปถึงคล้ายๆเกือบเลยทังลิ้นปีลิ้นปีย้อนลงทั้งลิ้นปีป๊อมนนันก็เบเหมือนน้ำเย็นอะ่ะเหมือนที่โยมกินน่ะว้าบเลยกินแล้วเหมือนแก้วใหญ่เลยขวดใหญ่ลงปึ๊บต่อมาก็เป็นทางงอต่อมาก็ตามเลยฮะตามน้ำเย็นไปเลยตามตามตามตนู่ น, น, น, น, นบางครั้งมันจะลุกกลืนโยมแล้ความเย็นมันจะลุกกลน เ, นน ล, เลยนู่นไปนู่น่ะนะมันทะลุ ก, กายเลยนะ ทะลุพูดไปเลยออะเราทะลกายไปเอ้าเราทะลุกายทําไงกายก็ไม่กายกมันก็เหมือนไม่ดีเพราะเราตามนั่นเย็นตามเย็เนี่เราก็ดูตรงความเย็นเย็นเอ้ามันทะลุไปทุดปลายก็สุดท้ายก็ร่างกายก็อยู่ที่ร่างกายความเย็นก็ไม่อยู่ที่ท้องเราในท้องเราก็ไม่ใช่ท้องเลยนะแต่ว่ามันเป็นฐานของมันอยู่ต้องถานมไอยู่อยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วแล้วไปไหนไม่ได้เลยตัวเนี้ยเย็นจนและ ไปไม่ปันไปไม่เป็นเนี่ยถ้าออกไปก่อนก็ออกได้แต่ตอนนี้ออกไม่ได้อะทําทไงก็ออกไม่ได้แล้วปุดุท้ายลุงปูดูนะเภาวนางไงแต่มให้ลุงปูดอนเอาออกเลยนะเอาลุงปูดช่วยออยเย็นๆในในท้องผมว่าออกเลยดีกว่าเอาออกเลยดีกว่าเพราะถ้าออ ก, ก อ, ออกผ ม, มคิดถึงตรงนี้ไม่ได้ท่านตำรวจจิตท่าน้อบอกเอาออกไม่ได้เพราะจิตตรงนี้มันมันเจอธรรมะแล้ว ลุงปู่จะบอกนี่คือทำแท้มันมันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่เข้าไม่ออกสมัยนั้นมันหยุดจยู่ต น, นั้นเองแล้วเลยบอกแล้วลุงปู่ทำไมถึงไอ้พูดเย็นเย็นตรงนี้ผมกำมือผมอะมือผมกำนะไม่เกี่ยวของกันนะ แล้วผมตีขาผมก็ไม่เกี่ยวข้องกันนะผู้รู้ตรงนี้กั บ, กบ ผ, ผู้รู้ตรงนี้กับกายไม่เกี่ยวข้องกันเลยหลวงปู่ท่านบอกจิตจริงๆเนี่ยถ้าเจอจิตจริงจะไม่ไม่เกี่ยวกักลลบธาตุขันเราท่านบอกไม่เดียวธาตุขันถ้าเราเจอธาตุขนันจะไม่เจอจิตทีน่นอนท่านเตือนม า, มามทุกคนจะไปติดธ า, าตุขันธาตุทั้งสี่การทั้งห้าออิยะนะทั้งหลายถ้าติดไม่หมดเลยฮนะแต่จะไปเจอจิตเกี่ยวยาก แต่จะบอกพอดีท่านไปเจอจิตอย่างนี้ก็เลยท่านก็เลยไม่กเกี่ยวข้องกร ะ, กระทัดกันแล้วเจอแล้วก็เจอเลยนะมันโยมไม่ใช่ธรรมดานะมาพิจารณากายก็พิจารณาไม่ได้จะมาดูกายก็ดูไม่เห็นจะนึกอะไรก็นึกไม่เห็นนึกไม่ได้นึกได้แต่ความเย็นตรงนั้นนะ่ะนึกดูดูดดไปก็นึกตั้งใจจนนั้ น, นถึงปัจจุบันก็ยังอยู่นะไม่ไปไหนแต่ว่าปัญหาที่สุดก็ว่ามันมันมันบอกเลยนะว่าอยู่ตรงนี้อตายแล้วไม่เกิดเพราะไม่เกิดอะไรพกพรุงแต่งไม่ได้ พึงใจไม่ได้ไม่ต้องพิจารณาการดองแม้จะกิเลสทนา่าต้องเลยเคยเคยเคยมียไม่มีโยมจะโกรธคนฉันโกรธไม่ได้เลยนะเกี่ยวกนี้จะโกรธไม่ได้เลยอย่างตามาเนี่เป็นคนมีวาทนาไปที่ไหนก็เดินกระบวนไล่เขาด่าตามาตลอดเพราะมันมุดทะพิมีเสน่ห์น่ะเขาก็ดา่าเขาก็บางคนก็ว่าเขาด่าตามาที่แท้ไม่ใช่อ่ะตมาบอกเขาไม่ได้ด่าดอกก็โดนเสน่ตมา ค, าคลัวว่งไคล้เขาคลั่งไคล่ลว่ากก็ด่าได้ทุกวันเพราะมัน ม, นมนีมันโด น, นเสน่ห์แล้วอ่ะมันโดนของเราแล้วอ่ะ คนเราบางคนไม่มีธรรมะเลยไปมันไม่คิดมันไม่มันไม่คิดมือใหมันไม่คิดบวกมันคิดลบลบก็ว่ากระดาษเจ้าของเอาว่ได้เรื่องเลยแต่เนี่ยเออเขาว่าเขาไดาเจ้าของบางครั้งได้เหี้ยก็นึกว่าเจ้าของมาไดาเจ้าของเป็นเหี้ยแก่จไม่ใช่เราจี้ยวนไปเหี้ยไดงไงเราจี้เนี่ยจี้เนี่ยก็ได้สัตว์ก็ไม่ใช่ไอ้อวายก็ไม่ใช่ อไดายังไงก็ไม่ใช่หมดเพราะจิตเราตู่ตรงนี้ไม่มีควายไม่มีอหี้ยไม่เป็นไรนะทั้งนั้นพุทธเจ้าท่านสอนถูกแล้วว่าสอนลงดูที่จิตให้ชัดๆถ้าลงที่จิตแล้วเขาไดา้ยังไงก็ไม่ถูกเห็นไหมเทวทัวตด่าพรุทธเจ้าได้ยังไงก็ไม่ถูกเดินแตพ่พระเทวเทวทัทวตด่าพพุทธเจ้าทุกวันไดย้ยไงพุทธเจ้าบอกเขาด่าจากของเขาเองมาจากเทวปากเทวทัวตต่างนั้นนะ่ะ เขาไม่ด่าบอกพุทธเจ้าบอกด่าท่านไม่ด่าท่านไม่ถูกดอกเพราะสิ่งที่พุทธเจ้าทํานั้นเทวะท่านไม่ได้ดา่าฉพราะงั้นเพราะอะไรเพราะจิตพุทธเจ้าอยู่ตรงตรงภายในเขาเรียกมีจิตในจิตในก็น่าแต่ข้างนอกเขาด่าแต่ข้างนอกตอนเราไปเห็นขนา้างในพระก็ด่าไม่ถึงดา่าด่าไม่ถึงก็ไม่เดือดร้อนด่าบางคนบอกจิตอยู่ข้างในแล้วเขาด่าข้ า, าขงนอกก็าเดือดร้อนอีกไม่อันนี้ไม่ความไม่ได้ยืดจริงนี่อเ่าถ้าอยู่จริงไม่เดือดร้อนหรอก อย่างตามาเนี่เป็นพระมีวาทนาวาทนาตามาไม่เหมือนใครนี่นะพระถือทำลายใจหน้ากันนิยมโมกตกตขอขอเนี่ท่านไปก็ท่านพากระโกระเดินกระบวนไลตามาไลตามาก็ไม่ออกเอาไปยิงไลก่อดตามามันจะไม่ได้กอดด อ, อกตามาจะกอดก่อนวิ่งหนีปราบเลยนะตามาเป็นพะใจถึงอะมันจะมากอดกูกูกอดมันก่อนดีกว่าเออแต่ทิในใจจะไม่กอดด อ, อกทำท่าทำท่ า, ท า, ทาเอาชนะมันก่อนปราบมันมันไม่กลายเรากอด อ, อก นะมันทําท่านะเราเท่เราใจถึงเอาแล้วนะสุดท้ายก็มามาเท่าน้ำลายแต่น า, ตามาตมาผู้ชายกมือไหวอย่างเดียวช่วยเย็ดแม่มึงหน้าหน้าทองคำหมากเต็มเต็มหน้าเลยโยมอาตมาดีใจมากดีใจเพราะพอธนูทายเท่าน้ำลายแต่หนามาตมาถ้าท่า น, ไ, นไม่รักผู้ที่ทำไมใช่ไหมเราต้องคิดอย่างนั้นโยมฮะธรรมะที่ธารมสอนตรงนี้มันมันโง่นะ่ะมันไม่ค่อยเอากอมันไม่ฉลาดนะ่ะบางคนฉลาดเขาให้อะไรเอาหมดเลยอะ ของตมางง่ให้ไงก็ผมบอกเรามันโง่เร า, เารับไม่ได้ดอกสติปัญญา น, น้อยให้อะไรเราก็ไม่รับดอกเนี่ยอย่างเงี้ยมันช่วยเยอะๆนะจิตน้ำเย็นตรงนี้อยู่ไม่ใช่ธรรมดานะผู้รู้ตรงนี้มันอยู่ข้างในแต่ฉะนั้นเขาเขาเขาว่าเราข้างนอกหมดเลยนะในโลกนี้ข้างนอกหมดเลยนะเขาจะด่าเขาจะว่าอิกชาตารอนมันอยู่นอกจิตหมดเลยฉะนั้นโยมต้องเข้าไปห า, จ, ตตห จ, า จ, จ, จิตตรงนี้เจอถ้าเจอปั๊มเย็นจะรู้โอ้จิตตรงเนี้มันไม่รับเลยเนี่ย เมื่นั้นเยินมันช่วยแต่อย่างนี้นะนั่นมันไม่ใช่ช่วยธรรมดานะมันช่วยคุ้มครองเจ้าของด้วยแล้วเราก็มีบ้านใหม่อยู่ด้วยมันตรงนี้จะอยู่กับเราตลอดนะ่ไปที่ไหนก็อยู่ตลอดเราก็มีผู้รู้อยู่ตลอดการดังนั้นวันนี้ก็เลยมาเติมมาเติ ม, ม, เ, ตมเติมพุทธิโยมให้เข้าสู่สมาธิข้างในให้ชัดเจนขึ้นน่ะเราตอนนี้เติม้านไม่ได้ไมีที่โยมแ ล, ล้วแหละอาตามาก็บอกวิธีให้แล้ว ตอนนี้โบวิธีถ้าเติมถ้าอยากเติมทำไมอยากเกิดก็อไปอยู่ตรงที่ไม่เกิด น, นะจะไว้ให้ดีนะถ้าจิตนันอยู่ปั๊บตรงไหนอ่ะที่อยู่แล้วมันว่างไม่มีเกเอตเลยเกลเอตหายไปไหนหมดความโลโกรลลงไปไหนหมดนั้นเนี่ยจิตตรงนั้นมันเปลี่ยนนั้นจิตจริงมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนมากมันเปลนไม่ใช่เป็นตอนภาวนาตอนภาวนาไม่เป็ี่ยนภาวนาให้สงบยังไงก็ไม่สงบมีแต่ฟุ้งซ่าน เราพูดช้านนั่งชั่วโมงหึ ง, งไปไหนก็ไม่รู้ไทั่วเลยทีงไม่เคยไปไปบดเนี่ยไปหมดเลยก็มันมันไม่ยอมอยู่เพราะอะไรเพราะอะไรมันตาทิพย์บ้างตอนนี้ได้น้ําเย็นตมาได้น้ําเย็นมาปั๊บอยู่ฮะอยู่เลยไม่ไปแล้วเพราะเรามีบ้านน้ําเย็นจับได้แล้วเลยจับจับมันได้แล้วน้านําเย็นมันเหมือนนกนะเปรียบเหมือนนกน้านําเย็นก็เหมือนเหมือนนกอยู่ในกรง นกอยู่ในกรงมันจะอยู่เหมือนที่เรามีน้ำเย็นๆเนี่ยร่างกายเราเหมือนกรงถึงเราจะเห็นข้างนอกแต่นกมันก็ออกไปได้ใช่ไหมออกไปได้เลยแม้ต่เพียงอะไรก็แล้วแต่ตามองเห็นก็บอกไม่ได้หูได้ยินก็ออกไม่ได้อะไรก็ออกไม่ได้นั้นน่ะตอนนี้ตมาจับนกเข้ากรงให้แล้วและโยมก็รักษานกไว้ให้ดีนะอย่าให้ออกไปถ้าไม่ออกไปมันก็ไม่มันก็ไม่ไปก่อกวนใคร ไปไปบอกมาแต่เราบอกเองแต่มันอยู่ในกรงอ่ะเพงจะทรมัยก็อยู่ในกรงนั่นแหละมันไม่ออกนอกกรงมี่วิธีการภาวนาแต่ฉันก็พยายามดูตรงนี้ให้ดีให้มากที่สุดนะก็ก็ต่อมาก็จะต้องไปขึ้นเครื่องเลยนะพอเปิดพระมียานะยานเอไอเชียงโรมนะถ้าเกิดเรืมันมาตกนะพอพลิเครื่องพลิตัวแล้วอ่ะพลิตัวแล้วก็เขาไม่รอหรอก นะอันนี้ก็พูดธรรมะแค่นี้ก็น่า จ, จะเพียงพอนียโยมเนาะเพราภาวนาน้ํายนเน่ยจะไม่เห็นมรรคสวรรค์อะไรนะโยมนะจะจุดโยมจะไม่ไปไหนนะจะหยุดอยู่เลยนะตรงไหนหยุดแล้วโยมจะมีความสุขทุกจดๆๆเลยนะนะ่ะก็เอาแค่นี้ทุ่มคนเก็บเวลาโควิดมาตมาตกงานตมาก็เลยไปสร้างวัดได้ยี่สิบวัดออที่โยมไม่เห็นหน้าตมาตมาไม่ได้ไปไหนนะ ไปสร้างวัดสร้างเยอะเลยวัดหนึ่งสร้างชา้าที่สุดไม่เกินสองเดือนโ อ, โอไม่ใช่ธรรมนานะรุ่นใจถึงเนี่ยทำไมต้องไปสร้างเพราะวัดธรรมยุทธ์มันน้อยมันไม่ครบอาเภอตอนนั้นตม า, มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดมีวัดอยู่แค่หกอาเภอตอนนี้มีทิศเจดอำเภอตอมาก็เลยไปสร้างครบ1ิอเจดอเภอเลย ลแล้วตอนนี้จะทอดจะถิ่นปีนี้จะทอดตามวัดสาขางเงินทอดจะถิน่นทั้งหมดนี้รวบรวมก็จะแจกไปทอดกระจายตามวัดต่างๆขึ้นมารวมแล้วก็น่าจะสามสิบกวัดโยมะโนะสามสิบกว่าวัดตอนนี้ก็เลยทางบ่อลักนะหมอลักเขานะขอ เขาขอทําทําเหรียนเหรียญรุ่นอะไรทำไมรุ่นสุนตตาเรียนรุ่นสุนตตาแล้วก็เรียนนี้ก็เขาจะแจ ก, กเฉพาะงานกรถินคนที่จะภาพกระถินเมืองกองกองแล้วทรถไฟโนมเขาบอกมาหลวงพ่อเห็นคนไปทําบุญน่ะเขาถวายหนึ่งพันหลวงพ่อไม่เคยให้อะไรก็เลย เราตอนนี้ก็เลยก็ท่า ก, กองละหนึ่งพันบาทได้เหรียญรุ่นสุญญาตาหนึ่งองค์พอจดชื่อเสร็จแล้วก็โอนเงินไปทางบัญชีของหมอรักบัญชีนั้นเป็นบัญชีกระถินกรถินหลายวัดเลยฮนะไพ่เบอรไม่ได้ฮนะพร้อมเป็นกระถิะถ่นนั่นนะ่ะก็ต้งแต่หนึ่งพันบาทก็จะได้หนึ่งองค์ถ้าไปใครอยากได้สิบองค์ก็ต้องหนึ่งมื่บาทเพราะฉะนั้นเรื่องเงินนั้นเน่ะ เขาจะไปสร้างสร้างอันนี้สร้างอะไรนะอารมะก็มีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาพอารมาอายุ72แล้วธมาถ้าธรมาตายคงไม่มีใครสร้างให้ตรรมารก็จะทำเป็นพิพัณฑ์ธมะเทโวย์พิพัณน์รุ่นสุนจตตาแล้วก็เรียนองค์นี้เขาจะทำก็มีรูปแบบธรรมาดูหนึ่งมีช้าง แล้วก็มีพระอินข้างหลังแล้วก็มีรูปตามาเอาตามาองค์เดียวไปพุทธาเปรต่อตามาจะให้ไปทําพิธีตรงห้องห้องที่ตมาภาวนาและยังผลชานี้อยู่ที่วัดบรูรพารามในห้องนั้นอะ่ะทําให้เราสมบูรณ์แบบทุกทเพราะห้องนั้นตามาภาวนาสองวันถึ้งโลกุธธตรจิจก็เลยเขาก็จะทําพิธีห้องเนี้เพราะยุเรบดมันไม่ถึงโลกุตระเออมีห้องเดียว ห้องนี้เป็นห้องที่ภาวนานะโยมนะอาตมาเนี่เป็นไม่ชีสอนนะสอนนะพอบบทปุ๊บก็เห็นก็นั่งภาวนาอาตมาก็กล่าวหลวงปู่หลวงปู่เขาไปทำอะไรบอกนั่งภาวนาอาตมาก็ไปนั่งภาวนาหลวงปู่บพุทโธพุทโธพุทโธมันหลุดหลุดซ้ายหลุดขวาใช่ไหมไม่ชีแกแกแกรู้แต่นี่เรานั่งพุทโธโธไม่ชีบอกทำไมให้นึ่งพุทโธแล้วไปดูควาย โอ้ไม่ช่นิดโอ้โหผธรรมดานะให้ดูผูโทรไปเห็นควายไม่ได้ดึงมาไหมอย่ไปหาควายทําไหมแล้วก็โอหโทรโอ้ทโอชัทจะชัดจะน้อยโดนลมไปลึกๆม้วนไปเลยสุดด้วยเลยะดูหน่อยไปดูไปด่ไปดูว่าไปเห็นบ้านอีกพระอะไรวะใครภาวนาเป็นยังไงโอ้โหไม่ใช่นี่ดูจิงจงเออไปดูเห็น เห็นย e ังเจตอยู <know. S 3> ่ตรงนั้นย <No. S 2> ังเพิ crazy, ่เยอะเอาดูที่มาจิตจะมูไปแล้วมาดูลมหายใจแล้วดูทำไมก็บอกให้ไปดูตรงโน้นเอาลมโยมปุ๊ดไม่ชีได้ดูจริงอ่ะต้นลำเราต้นลำต้นบ่บ่บ่บ่บ่ใจไม่เป็นลตอนนี้ปุ๊ดตาไม่ชีเลยจิตมันไปลงปุ๊ดดำโยมมาไปชีบอกตายแล้วถ้นไม่ชีก็บอกว่าพระเอาไม่กลัดไปแล้วตายเรียบร้อยแล้วจิดเดมเท่าน่ะ ชิต ท, ที่เกิ ด, ก ด, กดมาเนี่ยตายแล้วประจิตชิตใหม่ขึ้นมาเฮ้ยนะรู้ว่าเราเป็นไงเขาคิดนยตอนนี้เนมจันทร์เครือสโกโน่ะอาจาร์ตะนะที่ดังๆน่ะแกนั่งด้วยกันแกก็เก่งนักเลยทีนั่งพักน้าพับรไปหอมแกนิดีไอ้ทีบอกเลมปตาเน่นนี่มันตายจริงๆมาหอมแกนฉันทำไม <S <S <S เอาตู แบบนี้ไม่ได้จะไม่เป็นมนุษย์แล้วเรานั่งอยู่นู่นหรืมเราเลึกมาหาแกแกรู้เลยอ้ให้นั่งดูที่นู้เสร็มาดูทีนี่เออรถรถจเราจะออกไปกันนอกห้องแกบอกออกเพราะทำไมอ่ะเราอยู่ในห้องห้อไม่บอกก็ต้องมาอยู่ในตัวเลยดูที่ไหนณไหนไอ้สูรลมหายใจลึกๆอ่ะแล้วก็อยู่ตรงไปลึกๆเลยอย่าพังไปนะอย่าดีๆนะอย่าโพ้ออย่าเพ้อ ยาเผลอย า, ออยาอมันเผอไม่ได้หอเอจะเผอีกยาดูเอาีอ่ไม่ดีรู้จริงๆเลยใ แ, แบบนี้ใครไม่เกิดใครไม่เป็นก็หมากันนะวะอ๋ะอเาบอกว่าึงนะใเดินมาเลูิทไหให้ไม่ค่อยชัดใมััดหน่อยคิดหน่อยี่ออให้รู้รู้รู้อยู่ตรงใจกหน่อยที่ รู้อะไรเปงไงพีู่ชัดยังเออปก็ชัดให้ชัดชัดชให้ชัดน้อยชัดน้อยชัดน้อยชัดน้อยเออเชัดชัดแล้วชัดแล้วเอออันนี้นี่อันนี้อันนี้ตรงนี้ละเดไปเยนะไเลยนะไปเลยนะนานเรียบร้อยรู้อุสาประกบไปยังดูนะโอ้โหยากเอจะไม่ไม่ได้เลยนะ ไปประกบเลยจิตหล่นี่เลยเข้าไปจุดทางเดียวเลยฮะคนนี้สอนแทนลุงปูดูลคนลุงปูดูลให้เป็นคนสอนธรรมะแทนชื่อไม่ชื่อยศเออนั่นเองแล้วแบบนี้ใครไม่เตือนโยมก็เป็นดิแต่บางครั้งก็ไม่เตือนนะตป้าตมาก็ผลป้าตมาโมกับเพื่อนโมกับเพื่อนตมาก็ช่วยชี่ก็สบายบางคนนั่งเปลานาไปถึงปุ๊บมันก็เกิดมีเม็ดขึ้นมาไม่ดทีบอกมันจะไปทําไมวะ ไอ้ น, นี่มันไปออกข้างนอกไปแล้วนู่นไป เ, เไปที่ยวสวรรค์โอ้โห oh. สวรรค์ที่ไหนมนโนนึกเนี่ยใช่ไหมเม่อเชบอกดึงกามาไม่มาเป็นวิปราชขริทัญญาโอ้ไปชิมมหาโพนี่ก็เจอมันลุช่อมอ๋อแล้วก็ไปดูแลไ้ไม่ดูจิตของไปดูจิตคนอื่นอีกพิดอีกนะวิชาธรรมนานะ นี่ยไม่ขี่เล่นโอ้ถ้าไม่ได้แก่นะโกมไม่ได้ลอยโยมไม่ต้องมีบารมีหรอกถ้าสอนแบบนี้นะคนทุกคนเะนั่นพก็เลยเอาน้นเย็นล่อยโยมนะแทนไม่ขีดูคนเาดีๆนะอย่าเผล่นะอย่าเผลนะอย่าผล่้มันหุดนะโอ้โหง่ายไหมดูน้เนดีนะอย่าเผล่นะพระธามาไม่มียามเหมไม่เีเนย ในชีคันมียานด้วยสมาวิ่งียานเอานั่นยันล่อคุณยานเถืนมันย็นยับก็ไปเถ่อนจะไดง่ายนะนั่นยันมัจับได้เลยบอบเดียวบางคนไม่อยากจับไม่อยากจับคุณก็ไปทิ้งอื่นเลยเราบอกให้คุณจับคุณก็ไปจับอีกให้หยุดตรงนู้นคุณก็ไม่ยอมหยุดนี่เไงอะ่ะนี่ยตัมมาเล่นไมคีตั้งรอบอย่างเงี้ยวเรืองปลายเลยตัมมาก็ว่าแรกตัมมาจบลอยแล้วคุดเปลี่ยนแล้ว วันี่สองหลวงปดูลเลยบอกไม่ต้องไปนั่งไปนั่งกันไม่ทีแล้วไปคนเดียวเลยนั่นไม่คิดหลุดเลยเนะถึงทุกปัจนนี้นะทูลหลวงปู่ดูลบอกว่าทุกโลกกตราคิดแล้วคิดไม่มีโอกาสจะมาเกิดเลยง่ายโยมไม่ได้ลําบากไม่ต้องไปต่อสู้กิเลสโอ้ยเพื่อนตั้มนั่งนะมันไปฟันขามาตอมันนั่งมันโดนฟันจริงๆโมมันโอ้มันหมาเลยขาวมันขาดกรรมใดที่มันทําอ่ะมันเห็นตันตาเลยนะ นังภาวนาเพาะฟันเฉพาะเลยนะตัวแทนไม่ได้วยฟันหรอนะแต่มันทาํกากรรมกรรมมันตามเฉลองโอ้คนใครทําอะไรแลไรมันมาหมดเลยอาตมาก็เลยไม่ได้ทําบาปอาตมาก็เลยไม่มาสบายเพราะคนคนโง่เน่ยไม่ค่อยทําบาปหรอกพอรู้ว่าตัวเองโง่จะไปทำบาปก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมแล้วมันจะรู้อะไรอ่ย่างงั้นคนโง่จะไม่ทำบาป ก็เลยไม่ทำก็เลยสบายสน่อยไอคนฉลาดมันทำเยอะเพราะมันฉลาดเพางั้นโยมจะไปฉลาดหนงโูด้วยมัเออใช่ไหม